โทสะหน้าเดิมความคุณมัวรายวันคือโอกาสเจริญสติหากคุณดูโทสะแล้วไม่หายสุดท้ายยังหม่นไม่เห็นอนิจจังเกิดอาการคาใจคล้ายไม่ประสบความสำเร็จอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่านั่นคือการลงเอยที่สุดผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจให้บอกตัวเองว่าที่นึกว่าสุดท้าย จริงๆแล้วยังไม่ท้ายสุดสภาพขาดใจที่ยังตกค้างอยู่นั้นก็ยังแสดงความไม่เที่ยงให้ดูต่อได้เริ่มเริ่มขึ้นมาเมื่อสติยังไม่แข็งแรงอย่าเอาแต่ดูอย่าเอาแต่รู้โดยปราศจากเครื่องช่วยอย่าหวังว่าสติของเราจะดีพอเห็นมันหายไปได้เองให้ใช้เครื่องกำกับสติตามที่พระพุทธเจ้าสอนนับไปว่า ความหม่นหรือความรู้สึกกลุนๆคาใจมันมีอายุอยู่ได้กี่ลมหายใจลมนี้หม่นมากลมหน้าหม่นน้อยลงลมถัดไปไม่หม่นเลยสลับไปสลับมาบังคับไม่ได้และไปถึงจุดที่ไม่ได้บังคับเคยชินที่จะรู้แบบเลิกคาดหวังว่าเดี๋ยวมันจะหายไปให้ดูแต่เราจะดูให้หมดแม้แต่ความรู้สึกอึดอัด อันเกิดจากการฝืนใจทนดูแม้แต่ความรู้สึกหายใจผิดจังหวะมันมีทุกข์ใหม่ๆมาแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นได้หมดถ้าใจเย็นดูไปเรื่อยๆจริงๆในที่สุดคุณจะไปถึงจุดที่เคลียร์หมดรู้สึกโล่งโปร่งไปทั้งหัวทั้งตัวราวกับโทสะเป็นสายหมอกสลายง่ายร่างกายบางเบาคล้ายหุ่นแก้ว แต่เจอของกระทบใหม่ก็เอาอีกโทสะหน้าเดิมๆกำเริบอีกขุนมัวรายวันอีกซึ่งแทนที่จะเสียใจทอแท้ว่าเอาอีกแล้วต้องสู้กับอารมณ์แบบนี้อีกแล้วก็ให้ท่องไว้แม่นๆว่าทุกครั้งที่โทสะหน้าเดิมกลับมาคือทุกครั้งที่เป็นโอกาสเจริญสติไปถึงจุดที่กายใจใสเป็นแก้วเมื่อท่องไว้อย่างนี้ไปสักอาทิตย์ อารมณ์จะสวีงกลับขั้วจากเบื่อหน่ายท้อแท้เป็นชอบใจมีกำลังเกิดความใจเย็นที่จะรู้ความไม่เที่ยงไปเรื่อยยิ่งสติขแข็งแรงขึ้นอารมณ์นักสู้จะเริ่มก่อตัวแล้วก็ไม่ได้คิดสู้กับคนใกล้ตัวแต่คิดสู้กับความใจร้อนของตัวเองที่อยากเห็นโทสะหรือความคู่กรุนหายไปทันใจ